50 languages. s i x t n เดือนแรกคือเดือนมกราคม m d a l m January. เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ยี่รันดาวัตุมาดมเ์เเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมมูนดาวัตุมาดมเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนนอนดาวัตุมาด ม, ดมเ์เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม อัน ด, ดัมมเดือนที่6คือเดือนมิถุนายน อ, าาอันดับวันที6เดือนคือครึ่งปีอ ร, อ, งอรวร์วันที่6มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน April May มัทรุม June เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเยต้าวัตด July เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมเยตตาวัตโดมดัม August เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนวันบ่าววันเดอมาดมเเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมพัตตาวัตมาดมออกตเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนพอดินนนทราวัตมาดมนา เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมวันนี้เริ่มดาวัหมดเดือนสิบสองเดือนคือหนึ่งปีวันนีริ่ดหมดังกัล ว, รวรออันหวมกรกรดาคมสิงหาคมกันยายนจูลายออกัสต์เซปติมเบร ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม October, November,